9. ทุติยทุทะโทสะสิกขาบทเพราะการอ้างเอาบางส่วนแห่งอธิกรณ์เรื่องอื่นเป็นเล่ใส่ความภิกษุด้วยปาราชิกเป็นปัจจัยภิกษุต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. ไม่ขอโอกาสก่อนมีความประสงค์จะให้พ้นจากพรหมจันทร์จึงโจ์ต้องอาบัตทุกก ฎ, กฎกับสังคาธทิเศษ 2. ขอโอกาสก่อนมีความประสงค์จะด่าจึงโจดต้องอาบัตเพราะกล่าวเสียดสี